จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราก็ทำกันคือมาดูแลจิตใจของพวกเราให้มีความสุขเหมือนกับร่างกายของพวกเราเราตอนนี้มีผู้ที่เรา คอยดูแลอยู่สามพวกด้วยกันพวกที่หนึ่งก็คือร่างกายที่เราไปทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วเราก็เอาเงินทองมาซื้อของจำเป็นต่อการดำรงชีพคือมาซื้อปัจจัยสีได้แก่อาหารเครื่องนุ่หงห่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสีร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้เนื้ออยู่ไม่เป็นปกติอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยเราเลยต้องมีพาะระเลี้ยงดูดูรับใช้ร่างกายของเรา เรายัางต้องพึ่งร่างกายต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆนี่คือเจ้านายคนแรกของเราก็คือร่างกายเจ้านายคนที่สองของเราก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่าง ๆ, ๆที่เรา อยากได้อยากมีอยากดูอยากฟังก็เป็นการหาความสุขให้กับพวกเรานั่นเอง <Yeah. S 1> พวกเราหาเงินหาทองมาส่วนหนึ่งก็เอาไว้ซื้อปัจจัยสี่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อไปทําอะไรตามความอยากของเราอยากจะดูหนังก็ไปดูหนังอยากจะไปฟังเพลงก็ไปฟังเพลง อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ไปเที่ยวกันเราก็ต้องมีเงินทองเราก็เลยต้องหาเงินหาทองทำงานกันอาทิตย์ละห้าวันแล้วสองวันที่เหลืออยู่เราก็เอาไปเที่ยวกันแต่ถ้าเราได้มา พบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะบอกพวกเราว่าเรายังมีคนที่เราต้องรับใช้ดูแลอีกคนหนึ่งและเป็นคนที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะคือตัวเราเองเราดูแลร่างกายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่ความจริงแล้วร่างกาย เป็นเพียงคนรับใช้เราเป็นคนที่เราใช้พาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกพลินกายกันเราก็เลยดูแลร่างกายกันอย่างดีเพราะเรากลัวร่างกายจะไม่สบายกลัวร่างกายจะตายเพราะถ้าเกิดร่างกายไม่สบายหรือตายไป เราก็จะไม่เราก็จะไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขจากการดูภาพยนตร์ดูละครไปหาความสุขจากการน้องราทําเพลงทําอะไรต่างๆไม่ได้เราก็เลยดูแลร่างกายของเราอย่างเต็มที่เพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราต้องมีร่างกายหาความสุข ให้กับเราถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเรานี้เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราก็คือจิตใจผู้ที่รู้ที่คิดที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ ตัวนี้แหละคือตัวเราเราสั่งให้ร่างกายมาวัดกันวันนี้น่างกายเป็นเหมือนกับคนนับใช้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราขับรถให้รถพาเรามาที่วัดถ้าเราไม่มีรถเราก็มาวัดไม่ได้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีเราก็จะมาวัดกันไม่ได้ เราก็จะไปเที่ยวกันไม่ได้ไปหาความสุขอะไรต่างๆกันไม่ได้เราเลยต้องมีร่างกายเราเลยต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาเลี้ยงร่างกายแล้วก็มาใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆจนเราลืมมาเลี้ยงดูตัวเราเอง ตัวเราเองจึงไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่พวกเราจิตใจมักจะวุ่นวายกันมักจะไม่สบายกันมักจะเดือดร้อนกันมักจะทุกข์กันเพราะเราไม่รู้จักตัวเราไม่รู้จักดูแลตัวของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับร่างกายของเรา เราต้องมาวัดมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราดูจากดูแลเลี้ยงดูจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความสุขเพราะความสุขของใจเรานี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราได้จากการรับใช้กิเลสตัณหา ความโลภความอยากความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปดูน้ำไปฟังเพลงไปดูละครไปกินเลี้ยงไปทำอะไรต่างๆทางตาหูจมูกร่นกายนี้เป็นความสุขปลองเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต่อให้เราทำกันมากน้อยเพียงไร มันก็สุขเดียวเดียวอิ่มเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากก็โผล่ขึ้นมาอีกพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาต้องไปทำต้องไปดูต้องไปฟังต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อเพื่อทำให้เรามีความสุขกันความสุขแบบนี้แหละที่พระเจ้าทรงเห็นว่า เป็นอันตรายต่อตัวเราเพราะความสุขแบบนี้มันทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ให้ความอิ่มความพอเที่ยวเท่าไหร่ดูหนังเท่าไหร่ฟังเพลงเท่าไหร่กินเลี้ยงกันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเที่ยวกันมามากน้อยเพียงใด ไปดูหนังฟังเพลงกันมามากน้อยเพียงไรไปกินไปเด่มมอะไรกันมามากน้อยเพียงไรมันมีคําว่าพออยู่ในใจเราบ้างไหมไม่พอมีแต่อยากมากขึ้นไปเสียอกด้วยซ้ําความอยากนี่แหละที่ทําให้เราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเราไปรับผลบุญผลบาปแล้วเราก็กลับมามีร่างกายอันใหม่ กมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็หาเงินหาทองเพื่อมารับใช้กิเลสตัณหาทำอย่างนี้มาหลายแสนรอบหลายล้านรอบนะทำแล้วตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาก็มาทำอย่างที่เราทำกันอยู่ขณะนี้ ความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายกันแล้วพอตายไปก็ไปใช้บุญใช้บาปก่อนพอใช้บุญใช้บาปเสร็จแล้วก็กลับมามีร่างกายอันใหม่มาหาเงินหาทองมาทำบุญทาบาปกันใหม่แล้วก็ตายไปก็ไปเกิดม่ไปใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้าการเกิดมันไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมันก็น่าเกิดกันแต่มันมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาที่พวกเราไม่ชอบกันที่พวกเรากลัวกันที่พวกเราทุกข์กั น, เ, นเวลาเกิดแล้วเวลาแก่มันไม่สบายมันทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์เวลามันตายมันทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการรับใช้ความอยากความโลภของพวกเรานี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจของเราไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องวิธีที่จะหาความสุขที่ถูกต้องให้กับจิตใจของพวกเราก็คือการ ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทานอย่างวันนี้เรามาทำทานกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันวันนี้เราเอาเงินมาซื้อข้าวของมาถวายพระกันเรียกว่าทานทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจเรียกว่าบุญนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง คือความสุขที่เกิดจากการทาบุญการทาบุญนี้ก็มีอยู่สาขั้นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็คือให้เราเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นมากกว่าที่เราจะต้องเอาไปใช้เลี้ยงดูร่างกายเราเอาเงินนี้มาทำบุญดีกว่า จะได้ความสุขที่แท้จริงอย่าเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินไปดูไปฟังไปกินไปดื่มมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวตายไปเราเอาติดตัวไปไม่ได้แต่ความสุขที่เราได้จากการทำบุญนี้มันจะติดอยู่กับใจของเรา เวลาตายไปบุญนี้แหละที่จะพาให้เราได้ไปอยู่ที่ดีที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวกเราจะไม่รู้ว่าการทาบุญนี้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเรา เป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้เวลาเราตายไปเราเอาเงินทองไปไม่ได้เราเอาสามีเอาภรรยาไปไม่ได้เอาลูกไปไม่ได้เอาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไปไม่ได้เอายศฐาบรรดาศักด์เอาตำแหน่งไปไม่ได้เป็นอะไรตายไปก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่เป็นบั เป็นพระราชามหากษัตริย์ตายไปก็ต้องทิ้งไว้เอาไปไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนายแบบนางแบบตายไปนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็บุญหรือบาปที่ทํากันเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ทําบุญ พ่บุญนี้เป็นของเย็นเป็นเหมือนอาหารส่วนบาปนี้เป็นเหมือนของร้อนเป็นเหมือนไฟที่จะเผาใจเราดังนั้นนอกจากการทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลคือไม่ทำบาปกันถ้าเราทำบาปเราจะเอาไฟไปเผาเราเอาความทุกข์ไปกับเราแล้วไปเกิดในที่มีที่นีแต่ความทุก ก็คือเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปตายไปเราไม่ต้องไปอบายเราไปสวรรค์ไปที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือการสร้างความสุขให้กับเราขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาปห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปกรธไม่เด่นสุรายาเมาถ้าเราไม่กระทำบาปทั้งห้าข้อนี้แล้วเวลาตายไปนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสุนัขไม่ต้องไปเป็นแมวไม่ต้องเป็นนกเป็นเป็นอะไรเป็นสัตว์เลือ้อยคลานต่างๆแต่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่ได้ทำบุญมาก ถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปอยู่บนสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญหมด ก, ก็กลับมาเป็นมนุษย์ น, ยนี่คือความสุดข้อที่สองการรักษาสีนี้เราจะได้รับประโยชน์ตั้งแต่เรายังไม่ตายคนที่ไม่ทาบาปนี้ใจจะเย็นจะสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวคนที่ทำบาปนี้มักจะหวาดกลัว กลัวว่าจะต้องไปรับผลจากการกระทําบาปเช่นถ้าไปลักขโมยของคนอื่นก็จะกลัวว่าถ้าเจ้านี้ที่ตํารวจเขารู้เขามาจับเราเขาก็จะจับเราไปขังคุกขังตารางความสุขที่ได้จากขโมยของมานั้นมันหายไปได้เดี๋ยวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความวิตกความกังวล คอยหลอกคอยร้อนใจเราเวลาเห็นตำรวจเดินมาก็ตกใจทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่รู้ว่าเราขโมยหรือไปทำผิดกฎหมายเขาไม่ได้เดินมาเพื่อจับเราแต่เพียงแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตารวจเราก็ไม่สบายใจแล้วนี่คือผลไม่ดีที่เกิดจากการทำบาปทำให้เราทุกข์กันทำให้เราเดือดร้อนกัน ทำให้เราหวาดกลัวกันแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยสบายสบายไม่วิตกไม่วิหวาดกลัวไม่กมังวลนี่คือความสุขขั้นที่สองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปแล้วถ้าเราอยากจะได้บุญที่มากกว่านี้ มีความสุขมากกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดก็ะจะทำให้เราเกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากการทำใจของเราให้สงบนะความสุขที่ได้จากการทำอะไรกับความสุขที่ได้จากการไม่ทำอะไรนี้ ความสุขที่อยู่เฉยๆได้นี่จะเป็นความสุขดีกว่าความสุขที่จะต้องไปทำอะไรถึงจะได้มาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจเช่นคนที่ยังถือศีลห้าอยู่ก็ยังนอนกับแฟนได้แต่ถ้าวันไหนแฟนไม่อยู่นอนคนเดียวความสุขนั้นก็จะหายไป เหลือแต่ความเหงาความว้าเหวแต่ถ้าเรามาหัดถือศีลแปดกันศีลข้อสามเราก็เปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมดับนอนกันถ้าเราหัดไม่ร่วมดับนอนกับใครต่อไปเราก็จะไม่เหงาเราจะอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็มาหัดไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วมาหัดอดข้าวเย็นกัน ถ้าเราอดบ่อยๆต่อไปเราก็จะชินกับมันแล้วเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราไม่มีอาหารกินในบางเวลาแล้วเราก็มาหักหยุดการไปเที่ยวกันหยุดการดูหนังดูละครร้องนำทำเพลงหยุดการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรตต่าง ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายใส่แบบชุดขาวที่แม่ชีหรือนักปฏิบัติธรรมเขาใส่กันเพราะเขาไม่ต้องการหาความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขปลอมเขาจะเอาเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวนี้มาหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ใจของเราไม่เคยสงบเราเลยไม่รู้ว่าใจของเรานี้สามารถมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวจากการเล่วมหลับนอนกับแฟนความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ถ้าเราลองได้สัมผัสสักครั้งเดียวแล้วเราจะติดใจเราจะเบื่อกับความสุขที่เราหาจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะว่ามันเป็นความสุขแบบไม่แน่นอนเวลาหาได้ก็มีความสุขเวลาหาไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจของเราให้สงบนี้จะอยู่กับเราจะเป็นของเราตลอดเวลาถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบแนละ้วเราก็สามารถทำให้สงบได้ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องไปเอาศสายความสุข จากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขจากการทาใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายใช้ใจควบคุมใจใช้สติควบคุมใ จ, ใ, ม ใ, จให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะได้ความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากไปเที่ยวอยาได้ความสุขจากการไปกินเลี้ยงได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับแฟนนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะติดอยู่กับใจของเราและไปกับเราคนที่มีความสุขแบบนี้จะไปถึงผริภานเลย จะไปแบบไม่ต้องกลับมาเวียนว่า้ตายเกิดอีกต่อไปเพราะเป็นความสุขที่ทำให้พอทําให้ไม่อยากจะมาเกิดไม่อยากจะมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะความสุขทางร่างกายเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาเราไม่สบายนี่เราสุขหรือทุกข์กันเวลาเราแก่นี่เราสุขหรือเราทุกข์กันเวลาเราตายนี่มันสุขหรือทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเราได้รู้กันแล้วในวันนี mm. ้ก็คือวิธีมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขทางจิตใจความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองความสุขที่ไม่ต้องใช้แฟนใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ต้องใช้สติตอนนี้เรายังไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะเราไม่มีสติกันสติมีแต่มีน้อยมีพอให้เราทำทำมาหากินทำอะไรได้แต่ไม่พอที่จะหยุดใจของเราให้นิ่งให้สงบได้ แต่เราสามารถเพิ่มสติขึ้นได้ด้วยการหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆวิธีเจริญสติก็คือให้เราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเลื่อยเปื่อยถ้ามีพุทโธแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสบายเวลานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ และเราก็จะมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรานี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะมาหากันคือความสุขทางจิตใจขั้นที่หนึ่งก็ใหเราทาบุญทาทานขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลขั้นที่สามก็ให้เราทำใจให้สงบ จเจริญสติพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะมีความสุขได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองกับการไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขอะไรต่างๆซื้อมาได้มากน้อยเพียงไรได้มาไม่นานมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปซื้อไปหาใหม่่เรื่อยๆ พอเวลาหาไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมาถ้าเรามาทมําบุญทําทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจตามมาเราจะมีความสุขตลอดเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือ งานที่เราควรจะกระทำกันร่างกายก็เลี้ยงมันไปพอสมเหตุสมผลไม่ต้องเลี้ยงมันแบบเป็นพระราชามหากษัตริย์มันเป็นคนรับใช้เราเลี้ยงมันเหมือนเราเลี้ยงคนรับใช้อย่าไปเลี้ยงมันเหมือนกับเราเลี้ยงเจ้านายเลี้ยงพระเจ้าแผ่นดินให้มันพอมีพอกินพ อ, อยู่ได้ก็พอเสื้อผ้าก็ไม่ต้องวิเศษวิโสอะไรอาหารก็ไม่ต้องวิเศษวิโสอะไร ที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องวิเศษวิโสอะไรอย่ารักษาโรค ก, ก็ไม่ต้องวิเศษอะไรรักษาไปพอให้มันหายก็พอถ้ารักษาไม่หายมันก็ตายเหมือนกันนะอย่าไปเสียเวลาเอาเวลามาทำบุญทำทานเอาเวลามารักษาศีลเอาเวลามานั่งสมาธิกันดีกว่าแล้วเราจะได้มีความสุขที่แท้จริง ที่จะอยู่กับเราทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราจากร่างกายนี้ไปแล้วแล้วเราจะไปแบบไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปเราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่กำลังรอพวกเราอยู่จึงขอให้ท่าน มีศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันขอให้เราลองปฏิบัติดูแล้วเราจะเห็นผลแล้วเราจะติดใจแล้วเราจะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่อยากจะทำอะไรนอกจากทาบุญรักษาศีลและนั่งสมาธิทำใจให้สงบ เพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีนัตนาไตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์